กุศลกถาว่า <altung> ด <millimeter Beatles expressions> ้วยกุศลแปดส่กน <removed> ิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมปรอใช่สกนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิพพานธาตุรับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปรอใช่ สกหางนิพพานธาตุ <8 45. S 2> รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลแปดร้อยสี่สิห้าสกอโลภะเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรใช่สกนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อโทสะเป็นกุศลอมโมหะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปอรรใช่สกนิพพานธาตุเป็นกุศลรับรู้อารมณ์ได้มีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 สอกออโทสะเป็นกุศลอโมหะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกุศลแต่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8 46, ป6้สี่สปอรท่านไม่ยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลใช่ไหมสอกอใช่ปอรนิพพานธาตุไม่มีโทษไม่ใช่หรือ สกใช่ปรหากนิพพานธาตุไม่มีโทษดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่านิพพานธาตุเป็นกุศลกุศลกถาจบ 7. อาจารตะนิยามกถาว่าด้วยความแน่นอนโดยส่วนเดียว8ป7้อก่อสกความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าพระอรหันต์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้สสิบแปดสกความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก วิจกิกริชชาพึงเกิด OK ขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรใช่สกาหากวิจกิกริชชาพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สวกวิจกิกริชชาไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวใช่ไหมปรใช่สกเขาวลวิจกิกริชชาได้แล้วใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเขาละวิธิกิจชาได้แล้วใช่ไหมปอรอใช่สกละได้ด้วยโสดาปติมมัคใช่ไหมปอรอไมค่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยสกทาคามิมมัคอนาคามิมั ค, ร อ, back, ค, มมครรอรหัตมรมัคใช่ไหมปอรอไมค่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยมักไหน ปรละได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลสกมรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัตทุกข์ให้ถึงความสิ้นไปให้ถึงความตรัสรู้ให้ถึงนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมรรคฝ่ายอกุศลไม่เป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัตทุกขแต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลไม่ใช่หรือ ปรใช่สกหากมรรายอกุศลไม่เป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์แต่ยังเป็นอารมณ์ของสังกิเลสท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยส่วนเดียวละวิจิกิจฉาได้ด้วยมรรไฟอคุณสแป้อยสี่สิบกสกอุเชธา ท, ทิฏฐิเพิ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดย ส, สตตาทิฏฐิใช่ไหมปรใช่สก หากอุเฉต ท, ทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัสตทิฏฐิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่สก อ, อุเฉต ท, ทิฏฐิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยสัจสตทิฏฐิใช่ไหมปรใช่สกเขาละอุเฉต ท, ทิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เขาละอุเฉตทิฐิได้แล้วใช่ไหมปรใช่สกละได้ด้วยโสดาปิมัคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยสกัทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตมิมัคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยมัคไหนปรละได้ด้วยมัคฝ่ายอกุศลสก มรรคฝ่ายอกุศลเป็นสภาวธรรมนำสัตว์ออกจากวัตทุข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้แน่นอนโดยสัสจะทิฏฐิและอุเฉทตทิฏฐิได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลแปดร้อยห้าสิบสกสัจสตทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉทตทิฏฐิใช่ไหมปรใช่สกหากสัจจะทิฏฐิพึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉทตทิฏฐิ ท่านก็ไมีควนยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของผุุ้ชนมีอยู่สกสัจสตะทิฏฐิไม่พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเฉตทิฏฐิใช่ไหมปรใช่สกเขาละสัสตะทิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเขาละสัสตะทิฏฐิได้แล้วใช่ไหมปรใช่สก ละได้ด้วยโสดาปิมัคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยสกทาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตมิมัคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละได้ด้วยมัคไหนปรละได้ด้วยมัคฝ่ายอากุศลสกมัคฝ่ายอากุศลเป็นสภาวะธรรมนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้แน่นอนโดยอุเชติฐิและสัสตทิฐิได้ด้วยมรรคฝ่ายอกุศลแป1้อยห้าสิบเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรพระสุที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดาโดยส่วนเดียว เขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกออใช่ปรดังนั้นความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนจึงมีอยู่8ป2้อห้าสอกเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบเรวยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดาโดยส่วนเดียว เขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุตุชนมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกเขาโผล่ขึ้นแล้วกลับจมลงทุกครั้งใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะท่านเข้าใจว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคต ร, รัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลฝ่ายดำโดยส่วนเดียวเขาจมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองจึงยอมรับว่าความแน่นอนโดยส่วนเดียวของปุถุชนจึงมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุททั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูโผล่ขึ้นแล้วข้ามไปโผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกเขาโผล่ขึ้นแล้วก็ได้ที่พึ่งทุกครั้งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอาจัญตะนิยามะกถาจบ แ อ, อินทริยกถาว่าด้วยอินสีแปร้ยห้าสิบสามสัตตินรียที่เป็นโลคิยะไม่มีใช่ไหมปรอใช่สกศรัทธาที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ใชไห ม, ม, มปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิริยินรียที่เป็นโลกิยะสตตินสีสมาธินสีปัญญินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปอรอใช่ สกปัญญาที่เป so. yes. ็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกสัตทินรีที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิริยะที่เป็นโลกิยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก ปัญญีสีที่เป็นโลกีะมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนที่เป็นโลกีะมีอยู่มณินสีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกศรัทธาที่เป็นโลกีะมีอยู่ัาตินสีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนที่เป็นโลกีะมีอยู่ มรียีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกปัญญาที่เป็นโลกีะมีอยู่ปัญญีสีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมณะที่เป็นโลกีะมีอยู่สมณะสินสีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ชีวิตที่เป็นโลกีะมีอยู่ชีวิตตินทรีย์ที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกศร i i ัทธ า, ท, i i า, ท, าที่เป็นโลคิยะมีอยู่ศรัทธินิสีที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชีวิตที่เป็นโลคิยะมีอยู่ชีวิตนิรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกปัญญาที่เป็นโลคิยะมีอยู่ปัญญินรียที่เป็นโลกิยะก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยห้าสิบสี่ สกศรัทธาที่เป็นโลกิยะมีอยู่สัถินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรใช่สกมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่มณินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินรียที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรใช่สกมโนที่เป็นโลกิยะมีอยู่ มณีสีที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอศรัทธาที่เป็นโลกีะมีอยู่สัททินสีที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปอรอใช่สกอสมนณ์ที่เป็นโลกีะมีอยู่สมนณ์สินสีที่เป็นโลกีะไม่มีชีวิตที่เป็นโลกีะมีอยู่ชีวิตตินสีที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกปัญญาที่เป็นโลกีะมีอย <copying> ู่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปรใช่สกมโนที่เป็นโลกีะมีอยู่มนินทรีย์ที่เป็นโลกีะไม่มีชีวิตที่เป็นโลกีะมีอยู่ชีวิตินทรีย์ที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยห้าสิบห้าสกศรัทธาที่เป็นโลกุตระมีอยู่ สัจทินรียที่เป็นโลกุตระก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกศรัทธาที่เป็นโลกีะมีอยู่สัจทินรีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิริยะที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญาที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญินรีที่เป็นโลกุตระก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกปัญญาที่เป็นโลกีะมีอยู่ ปัญญนสีที่เป็นโลกีะก็มีอยู่ใช่ไหม ASE? ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศรัทธาที่เป็นโลกีะมีอยู่สัตทินสี cause, สที่เป็นโลกีะไม่มีใช่ไหมปรใช่สกศรัทธาที่เป็นโลกุตระมีอยู่สัตทินสีที่เป็นโลกุตระไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิริยะที่เป็นโลกีะมีอยู Nowadays> ่ ปัญญาที่เป็นโลกิยะมีอยู่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลคิยะไม่มีใช่ไ well หมปรใช่สกปัญญาที่เป็นโลกุตระมีอยู่ปัญญินทรีย์ที่เป็นโลกุตระไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นป้อยห้าสิหกกอินทรีย์ห้าที่เป็นโลกิยะไม่มีใช่ไหมปรใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิสูจทั้งหลายเราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุก็ได้เห็นจัดทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก ล, กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการตามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้น อินสียห้าที่เป็นโลคิยะจึงมีอยู่อินทริยะกถาจบเฮคุณวิสติมวัคจบรวมกถาที่มีนิวรัก์นี้คือหนึ่งกิเลสชหณกถาสองสุญญาตากถาสามสามัญผลละกถาสปฏิกถาหตาตัากถาหกุษละกถาเจ อาจารตานิยามะกะถาแปดอินทริยะกะถายี่สิบวีสติมวักหนึ่งอสัญตจากกะาว่าด้วยความไม่จงใจแปดร้อยห้าสิบเจ็ดสกล บุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรใช่สกบุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าเป็นผู้ทำปาณาติบาตชใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอานันตริยกรรมใช่ไหมปรใช่สก บุคคลไม่จงใจถือเอาเสียงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ผู้เท็จชื่อว่าเป็นผู้ผู้เท็จใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บ, บุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำปาณาติบาใช่ไหมปรใช่สกบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลไม่จงใจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่จงใจพูดเท็จชื่อว่าไม่เป็นผู้พูดเท็จใช่ไหมปรใช่สกบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยห้าสิบแปกบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหม ปรใช่สกพระสูตรที่ว่าบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรมมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรมมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกหากพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรุงชีวิตมารดา ชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตรียกรรมมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันติรียกรรมแปด้อยห้าสก้ปอรรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่ามารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันติรียกกรรมใช่ไหมสอกอใช่ปรรเข า, าปรุงชีวิตมารดาแล้วมิใช่หรือสอกอใช่ ปร์หากเขาปรุงชีวิตมารดาแล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่ามารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมปอร์ท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าบิดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกใช่ปอร์เขาปรุปรงชีวิตบิดาแล้วไม่ใช่หรือสกใช่ปอร์หากเขาปรุงชีวิตบิดาแล้ว ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าบิดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกใช่ปรเขาปรงชีวิตพระอระหันต์แล้วไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากเขาปรงชีวิตพระอรหันต์แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำอน Р ันตริยกรรมปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกใช่ปรเขาทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อแล้วมิใช่หรือสกอใช่ปรหากเขาทำร้ายพระต ถ, ถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อแล้ว ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ทําร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรม8ป0รกสบกบุคคลผู้ทาลายสงให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรมใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ทาลายสงให้แตกกันทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรมใช่ไหม ปร ault. ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ทําลายสมให้แตกกันทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมใช่ไหมปอร์ใช่สกบุคคลผู้มีความสําคัญว่าชอบทมจึงทําลายสมให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้หกสิบเอกบ ouais ุคคลผู้มีความสําคัญว่าชอบธรรม จึงทำลายสงให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมเปอรอใช่สกพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอุบาลีบุคคลผู้ทำลายสง์ให้แตกกันเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับแก้ไขไม่ได้มีอยู่บุคคลผู้ทำลายสง์ให้แตกกันไม่เป็นผู้เข้าถึงอบายไม่เข้าถึงนรกตลอดกลับไม่ใช่ผู้แก้ไขไม่ได้ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมทำลายสงให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมแปดร้อยหกสิบสองปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมจึงทำลายสงให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกใช่ ปอรอพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ทาลายสงให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาจากนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทาลายสงที่สมเกียกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้น บุคคลผู้ทําลายสงให้แตกกันจึงชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตเรียกรรมอาจัรจิตจักกถาจบสองยานากาักถาว่าด้วยยานแปดร้อหกสิบสามสกยานไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหมปรใช่สกปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดจำเพาะไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปัญญากิร no e ิยาที่รู้ชัดความวิจัยความเข้าไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเข้าไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ยานไม่มีแก่ปุตุชนแปร้อยหสิบสี่สกไม่มีแก่ปุตุชนใช่ไหมปรใช่สกปุตุชนเข้าปฐมฌานได้ใช่ไหมปรใช่สกหาปุตตุชนเข้าปฐมฌานได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานไม่มีแก่ปุตุชนสกปุตุชนเข้าทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌาน อาการสาเ น, นจายตนะฌานวิญญาณันจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพึงให้ทานจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศบุรุขารได้ใช่ไหมปรอใช่สอกอหาปุถุชนให้กีฬานปัจจัยเพศบุรุขารได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานไม่มีแก่ปุถุชน 865. ปรยานของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรปุถุชนกำหนดรู้ทุกและสมุทยัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยานกถาจบ 3. นิริยบาละกะถาว่าด้วยในนิริยบาล 866. สก ในนิริยบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปรใช่สกเครื่องสำหรับลงอาญาไม่มีในนรกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกใช่ไหมปรใช่สกในนิริยบาลมีอยู่ในนรกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์และผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกและผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกแต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหมปรใช่สกเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์ แต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อหกสิบเจ็ดปรนายนิริยบานมีอยู่ในนรกใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเท้าเวสภูเท้าเปติราชเท้าโสมะไม่ได้ฆ่าเท้ายมะและเท้าเวชวันก็ไม่ได้ฆ่ากรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้ เกิดในปรโลกในนรกนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นในนิริยบานจึงไม่มีในนรกแปดร้อยหกสิกในนิริยาบานไม่มีในนรกใช่ไหมปอรอใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายในนิริยาบานทํากรรมกรเครื่องสาหรับลงอาญา ชื่อเครื่องพันธนาการห้าอย่างเพื่อตอกตะปูเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นนายนิริยาบาลจึงมีอยู่ในนรกสก ในนิริยาบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปอรอใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายในนิริยบาลฉุดลากเขาไปเอาขวานถากในนิริยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทีมรถเล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโช่ช่วง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 ในนิริยาบาลจับเขาทุ่มลงไปในมหานรกก็มหานรกนั้นมีลักษณะดังนี้มีสี่มุมสีม่ประตูแบ่งกำหนดออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลูกโชตช่วงแผ่ความร้อนไกลด้านและร้อยโยตตั้งอยู่ทุกเมื่อมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สคออดังนั้น ในนิริยาบาลจึงมีอยู่ในนรกนิริยาบาลกถาจบสติระชานกถาว่าด้วยสัตติรชานไปร้อยหกสิบเก้าสกสัตติรชานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกเทวดามีอยู่ในหมู่สัตติรชานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สัตเตรัจานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรใช่สกเทวโลกเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์เวดรัชานมีอยูอ่ในหมู่เทวดานั้นมีแมลงตักแตนยุงแมลงวันงูแมลงป่องตะขาบไสเดือนใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยเจ็ดสิบปรสัติราชานไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกใช่ปอรอช้างประเสริฐชื่อว่าเอราวันยานทิพเทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปอรอหากช้างประเสริฐชื่อว่าเอราวันยานทิพเทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าสัตว์เดรัจานมีอยู่ในเทวโลก871สกสัตว์เดรัจานมีอยู่ในเทวโลกใช่ไหมปรใช่สกในเทวโลกนั้นมีพวกผูกช้างพวกผูกมา้าพวกตะพุ่นหญ้าพวกผู้ฝึกพวกทําอาหารสัตว์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นสัตว์เดรัจานจึงไม่มีในเทวโลก ติราชานกถาจบห้ามัคคกถ า, าว่าด้วยมัคแปดร้อยเจ็สิบสองสกมัคมีองค์ห้าใช่ไหมปอร์ใช่สกมัคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือปอร์ใช่สกหากมัคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ามักมีองค์ห้าสกมักมีองค์ห้าใช่ไหมปรใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบรรดามักมักมีองค์แปประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะสัจจะสี่ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมวิราคธรรมประเสริฐที่สุดบรรดาสัตสองเท้าพระตถาคตผู้มีพระจักสุประเสริฐที่สุด มีอยู่จริงมิใช่หรือปรใช่สกดังนั้นมักจะมีองค์แปดแปดร้อยเจ็ดสิบสามสกสัมมาวาจาเป็นองค์มักแต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมักใช่ไหมปรใช่สกสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มักแต่สัมมาทิฏฐินั้นไม่เป็นมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาวาจาเป็นองค์มัก แต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหม unfair? ปรใช่สกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคแต่สัมมาอาชีวะนั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สก สัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สกสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคและสัมมาวาจานั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรค และสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สกสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติ ส, party, สัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคและสัมมาส ม, มาธินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรใช่สก สัมมาวาจาสัมมาคัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปด้อยเจ็ิสปอรรรอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมสอกอใช่ปอรรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีวะของบุคคล น, นั้นจัดว่าบริสุทธิ์ดีแล้วในเบื้องต้นนั้นแล เมื่อเป็นอย่างนี้อริยมรตมีองค์แปดนี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นมรตจึงมีองค์ห้าแป้อยสิห้าสกมรตมีองค์ห้าใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสุภัฏในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรตมีองค์แปด ย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่งย่อมไม่มีสมณะที่สองย่อมไม่มีสมณะที่สามย่อมไม่มีสมณะที่สี่ในธรรมวินัยที่มีอริยมากมีองค์แปดย่อมมีสมณะที่หนึ่งย่อมมีสมณะที่สองย่อมมีสมณะที่สามย่อมมีสมณะที่สี่สุพัทะในธรรมวินัยนี้มีอริยามากมีองค์แปดสมณะที่หนึ่งมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่สองมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สามมีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสมณะที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นและที่อื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุภัตถะถ้าภิกษุ์เหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่ สกดัง น, นั้นมักจึงมีองค์แปดเมื่อพระคาถาจบหกยานนักคาถาว่าด้วยยานแปดร้อยเจ็ดสิบหกสกยานที่มีวัตถุสิบสองเป็นโลกุตระใช่ไหม ปรใช่สกโลกุตระยานมีส <Then> ิบสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลกุตระยานมีสิบสองใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิมากมีสิบสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซดาปฏิมากมีสิบสองใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลมี1ิบสองใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอสกัฏาคามิมักอนาคามิมักอรหัตตมักมีอย่างละสิบสองใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอร์รหัตตมักมีสิบสองใช่ไหมปอร์ใช่สกอร์หัตผลมีสิบสองใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปอร์ท่านไม่ยอมรับว่า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 ญาณกถาจบวิสติมวัฏจบรวมคถาที่มีในวักนี้คือหนึ่งอสัจกกนจิตจักคถาสองญาณกถาสนิริยาบาลกถาสติรช า, า, า, า, านกถาหมัครักคถา 6. กญาณกถาจตุถปัญ น, นาจบรวมวักที่มีในจตุถปัญ น, นานี้คือวักที่สิบหก เริ่มด้วยเนคหกะาถาวรที่สิบเจ็ดเริ่มด้วยอัติอรหะโตปุญญปั จ, จโยติกาถาวรที่สิบแปดเริ่มด้วยมนุสสโลกกะาถาวรที่สิบเก้าเริ่มด้วยกิเลสะชหานากคาถาวรที่ยี่สิบเริ่มด้วยอสัชนจิจกักคาถา